สิ่งเป็นเครื่องพัฒนาจิตก็คือธรรมะ ราศจากเสยดซึ่งธรรมะแล้วอายุจิตจะเจริญได้อย่างไร<ม>อาจารย์วสินอินทสระมีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราค้นหาตัวเองได้พบเห็นตัวเอง พบตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือเจ้าความรู้สึกตัวนี่แหละความรู้สึกตัวเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราค้นหาตัวเองหลายท่านอาจจะคิดว่าเราจะหาตัวเองทำไมตัวเราเองก็นั่งอยู่นี่อันนี้ก็คือการเกิดขึ้นของสติในขณะปัจจุบันแต่ก่อนที่เราจะคิดอย่างนี้เนี่ย ความรู้สึก ข, ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กันเนื้อกับตัวหรอกเรานั่งฟังธรรมะนอนฟังธรรมะบางทีจิตใจเราก็เลื่อนลอยไปกับความคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆแบบไม่รู้สึกตัวก็ได้ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเราจะรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่อยู่ในอิริยาบถใดนอนหรือนั่ง หรือยืนหรือเดินหรือกําลังทําอะไรอยู่ถ้าเรามีสติรู้กายแล้วก็ถ้าก็ว่าเรามีความรู้สึกตัวแล้วหรือถ้าหากว่าเราไม่รู้กายแต่รู้ว่าจิตใจเรากําลังคิดอะไรรู้ว่าจิตมันกําลังคิดนึกอันนี้ก็ถือว่าเรามีความรู้สึกตัวแต่โดยปกติแล้วเราไม่ได้รู้แบบนี้นะเราบักจะเผลอเพลินไปกับความคิดปรุงแต่งอันนี้ถือว่าไม่ได้รู้สึกตัวแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นผู้ที่ มอบชีวิตให้กับเราคนที่จิตใจเลื่อนลอยอันเนี้ยไม่一งกับว่าซากศพซากศพนี่ไม่มีจิตวิญญาณนะคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีความสุขตัวปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปนี่ <c oughs> ก็คล้ายๆซากศพที่ไร้จิตวิญญาณเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะฝึกปฏิบัติจ ะ, จะเจริญสติเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องตั้งใจไว้ก่อนก็คือเรื่องของความคิด ถ้าเราจะฝึกสติเราก็ต้องไม่เจตนาที่จะคิดก่อนอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งตั้งใจคิดการเจริญสติก็เพื่อให้ได้สติแต่ถ้าเราคิดขึ้นมาเนี่ยสติจะไม่เกิดหรอก2 อ, อย่างนี้เกิดพร้อมกันไม่ได้ถ้ามีความคิดสติก็ไม่เกิดถ้ามีสติแล้วความคิดก็ไม่เกิดมันเกิดขึ้นได้ทีละครั้งเท่านั้นะแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะถ้าเราอยากจะมีสติ จะมีความรู้สึกตัวเราควรจะไม่เจตนาคิดซะก่อนแต่ไม่ใช่ห้ามนะคือเราไม่ห้ามความคิดแต่เราอย่าเพิ่งเจตนาคหว่าไม่เจตนาเนี่ยแสดงว่าจิตเนี่ยมันจะคิดขึ้นมาก็แล้วแต่จิตมันเป็นเรื่องขอธรรมชาติที่มันปรุงแต่งแต่ว่าเป็นความคิดที่ไม่ได้เจตนาแล้วเราจะเห็นความคิดแบบนั้นชัดเจนเลยเหมือนอย่างกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็คือสิ่งแปลกปลอมนะสิ่งแปลกปลอมเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยอ๋อนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจคิดนะแต่มันคิดปรุงแต่งขึ้นมาเราก็จะเห็นได้เมื่อเราไม่ตั้งใจคิดหรือไม่เจตนาคิดมันก็ย่อมมีความคิดเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเราก็อย่าไปห้ามมันขณะที่เราจเจริญสติอยู่เมื่อเราไม่ตั้งใจคิดจิตมันจะเป็นปกติอยู่ชั่วขณะหนึ่งสักระยะหนึ่งมันจะต้องมีความคิดขึ้นมาแน่นอน ความคิดเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่เราเคยสั่งสมเอาไว้เราเคยคิดแบบไหนมันก็ต้องเกิดมาแบบนั้นอย่างเช่นว่าเราเกิดความรักเกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นความอยากอยู่ในจิตใจเนี่ยมันสามารถช่วยผลิตความคิดขึ้นมาให้เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันย่อมมีนะอยากให้คนนั้นเป็นคนดี อยากให้คนนี้เป็นคนดีอยากเห็นหน้าคนนั้นอยากเห็นหน้าคนนี้เราอยากเป็นคนดีเราอยากมีความสุขความอยากเหล่าเนี้ยมันย่อมมีขึ้นในจิตใจเราอันนี้มาจากความคิดทั้งนั้นบางทีก็เกิดความไม่ชอบใจเกิดความโกรธในจิตใจเราเนี้มันก็ย่อมมีขึ้นมาเพราะเราเคยสั่งสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้จิตก็จะผลิตความโกรธความไม่พอใจออกมาในลักษณะของความคิดซึ่งเป็นส่วนนา ม, มาทํา บางทีก็เกิดความกลัวนะอย่างเช่นกลัวผีกลัวตายกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยย่อมมีขึ้นอันนี้คือความคิดต่างนันยกตัวอย่างอย่างเช่นกลัวตายคนที่ไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยก็ย่อมมีความกลัวตายเป็นธรรมดาตัวเป็นสัจจญาณโดยธรรมชาติแล้วความตายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวมันง่ายความตายง่ายนิดเดียว เพียงแก่ เ, เราไม่หายใจก็ไม่อหี้ยเราตายแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยนะแค่เปลี่ยนจากการหายใจมาไม่หายใจเนี่ยก็เท่ากับว่าเราตายแล้วเนยสั้นนิดเดียวความตายจึงไม่สิ่งที่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือความกลัวตายที่เกิดจากความคิดโอ้มันใช่ระยะเวลายาวนานมากตั้งแต่เราจําความได้เนี่ยเราก็มีความกลัวเรื่อยๆจนทั้งเราจะต้องตายไปจริงๆเนี่ย ความกลัวตายเนี่ยบอกยืดยาวมากตัวกล้งที่คิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความกลัวตายทุกครั้งทุกคราไปทั้งหน้าที่ความตายเนี่ยสั้นนิดเดียวถ้าตายจริงๆนะสั้นนิดเดียวมันก็ตายแล้วแต่ความกลัวตายเนี่ยมันทรมานเรามากนี่มันเกิดจากความคิดเองนั้นะแต่ถ้าเราลองมาศึกษาชีวิตศึกษาธ ร, รรมะเราจะรู้ว่าอ๋อความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจเข้าใจขึ้น เพราะนัอย่างไรเ็ตามจะเป็นความกลัวตายความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในลักษณะของความโกรธความไม่พอใจเนี่ยอันนี้เกิดจากความคิดแั่งั้นละเป็นความคิดที่เกิดขึ้นที่จิตใจเราเองถ้าเราจะเอาชนะความอยากเหล่านี้ได้เนี่ยเราต้องเอาชนะความคิดตเนี้ยการเอาชนะความคิดนี่ไม่ใช่ไปห้ามนะไม่ต้องห้ามความคิด ไม่ต้องไปบังคับเขาเพียงแต่เราไม่ต้องเชื่อความคิดก็ได้คนเราเป็นทุกข์เพราะเชื่อความคิดนะความคิดเนี่ยเป็นนามธรรมาไม่มีตัวไม่มีตนมันเกิดขึ้นชั่ววูบหนึ่งแล้วมันก็ดับไปเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้ว่าจะต้องคิดดีๆนะจ ะ, งงนจะต้องคิดอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนี้หรือจะห้ามแม่คิดก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ในภาษาธรรมเรีวยกว่าเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบางังคับบัญชาของใครไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าเราสามารถสัมผัสได้รู้ได้และสิ่งเหล่านี้มองก็ไม่เห็นจับต้องก็ไม่ได้เราจะไปเชื่อเขาหรือถ้าเราเชื่อเนี่ยเราจะเป็นทุกขน์นะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าความหลงเขาเรียกว่าโมหะความหลงก็จะผลิตความคิดมาในลักษณะของนามธรรมา ท, ที่ประกอบไปด้วยกิเลสมีความ โลภความโกรธเป็นต้นและสิ่งเหล่า น, นี้มันทําให้จิตใจเราเศร้าหมองกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองคําว่าเศร้าหมองเนี่ยก็ไม่มีขยากพบไม่มีขยากเห็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองถ้าจิตใจเราไปเชื่อความคิดจิตใจเราก็จะเศร้าหมองชีวิตเราก็พลอยเศร้าหมองไปด้วยเจ้าความคิดทําให้เราเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามีตัวตนในความคิดถ้าไม่มีความคิด ตัวตนจะไม่เกิดขึ้นนะตัวตนตัวเราของเราเนี่เกิดจากความคิดเกิดจากความเห็นผิดเกิจดจอมกิเลสซึ่งเป็นส่วนานามธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อตัวสตินี่แหละเป็นตัวที่บอกว่าไม่เชื่อความคิดถ้าเราไม่เชื่อความคิดเนี่ยสติมันเกิดขึ้นแล้วนะแต่เราเห็นไว้รู้ไว้เจยๆเพราะมันทําให้จิตใจเราเนี่ยเศร้าหมองแต่มีความคิดอีกประเภทหนึ่งคือคิดด้วยสติตั้งใจคิดเจตนาคิด แล้วเราจะเป็นต้องใช้ความคิดแบบนี้ซะด้วยนะคนเราต้องมีความคิดนะบางคนถามว่าปฏิบัติธรรมนี่ห้ามไม่ให้คิดแล้วเราจะทําอะไรได้ไม่ใช่อย่างนั้นความคิดนี้ไม่ห้ามคิดได้แต่ขอให้คิดด้วยสติให้มีสติเป็นเครื่องกันกองความคิดออกมาถ้าคิดด้วยสติแล้วก็จะเป็นความคิดที่ประกอบไปด้วยปัญญาความคิดนั้นจะดีรู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุรู้ผล คิดแล้วไม่เกิดกิเลสคิดแล้วปล่อยวางได้คิดแล้วเห็นธรรมะว่าอ๋อมันไม่เที่ยอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเนี่ยสามารถเห็นได้แม้แต่เราคิดเอาเราก็รู้ได้เห็นได้คิดแล้วแก้ปัญหาชีวิตได้เป็นความคิดที่ประกอบด้วยสติที่เราจำเป็นต้องใช้คือเอาความคิดมาใช้ส่วนความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดปรุงแต่งด้วยกิเลสนั้นอันนั้นเป็นความคิดที่เราไม่ต้องการทําให้ใจมัวหมองเศร้าหมองเป็นทุกข์ แต่ความคิดที่เราตั้งใจคิดเนี่ยแม้ว่าทําให้จิตต้องมัวหมองบ้างคําว่าเศร้าหมองกับมัวหมองต่างกันนะเศร้าหมองนี่คือเป็นทุกข์เลยมัวหมองคือทําให้แค่ไม่ใสสะอาดเท่านั้นอย่างเช่นว่าเราเนี่ยอาบน้ําสะอาดแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไปทาแป้งเนี่ยร่างกายที่สะอาดเนี่ยมันก็เปื้อนเหมือนกันนะเปื้อนแป้งเหมือนกันจิตใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราตั้งใจคิดขึ้นมาเนี่ยคิดด้วยสติเนี่ย จิตมันก็เปื่อนเหมือนกันมัวหมองเหมือนกันแต่ไม่ใช่ซ่อมมองคือไม่สามารถทําให้เราเป็นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้เฉยๆว่าอ๋อนี่คือความคิดที่เกิดจากกิเลสนะทําให้จิตใจซ่อมมองนะแล้วก็ละไปถ้าคิดด้วยสติจิตนี่มันก็คิดเหมือนกันนะคิดทําความดีคิดอยากเป็นคนดีมันก็เป็นความคิดที่เรายึดติดอยากทําความดี จิตมันก็เริ่มหมัว น, นิดแต่ว่าถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าอ๋อนี่สักแต่ว่าความคิดดีเท่านั้นสักแต่ว่าตรงนั้นเห็นไหมจิตก็พ้นออกมาจากความคิดแม้แต่ความคิดที่ดีๆเราก็สามารถปล่อยวางได้คือคิดแล้วรู้จักปล่อยวางถ้าเราคิดอยากจะทําความดีเช่นว่าอยากจะช่วยใครสักคนหนึ่งแต่เราช่วยไม่ได้โอ้ใจเราเป็นทุกข์อันนี้คือเกิดความยึดมั่นถือมั่นแหละไม่ปล่อยไม่วางบางทีเราก็ช่วยเหลือไม่ได้ เราต้องรู้จักปล่อยวางเพราะจิตปล่อยวางความคิดได้นั้นแม้แต่ความคิดนั้นเป็นความคิดที่ดีจิตก็จะพ้นจากความศ่อมหมองแล้วก็พ้นจากความมัวหมองเป็นจิตที่บริสุทธิ์ลุงพระเทียนนี่ท่านยกตัวอย่างดีมากเลยท่านบอกว่าเมื่อเราขุดบ่อเนี่ยมันจะมีน้ําขุนไหลขึ้นมาให้เราตักน้ําขุนนั่นออกมีที่คือตักน้ําขุนออกตักน้ําขุนออกพอน้ําขุนหมดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้ําใสาไหลออกมา โอ้น้ำขุนหมดมีน้ำใสไหลออกมาน้ำใสเราเอาไว้ไหมน้ำใสยังไม่สะอาดพอต้องตักน้ำใสออกอีกตักออกไปตักออกไปน่ะตอนนี้แหละใช่ไหมน้ำขุนก็ไม่มีน้ำใสก็ตักออกไปแล้วมันก็จะมีน้ำที่ใสสะอาดยิ่งกว่านั้นพร้อมดื่มจิตใจเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเจริญสติไม่ได้เจตนาคิดแต่มีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมานั้นคือน้ำขุน เรารู้แล้วเราก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวา ง, ววางมเมื่อเราตักน้ําขุนออกไปเมื่อความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ยึดมัน่นติืมันเราปล่อยวางไปด้วยสติมันก็จะมีความคิดที่ดีๆเกิดขึ้นมานี่คือน้ําใสเราก็ใช้ได้นะแต่ยังดื่มไม่ได้อาบได้ซักเสื้อผ้าได้แต่ยังดื่มไม่ไ ด, ไ ด, ไ ด, แ ด, ไได้แต่เราใช้ได้เช่นเดียวกับความคิดดีๆเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้ แต่เรายังยึดมั่นถือมันไม่ได้ยึดมั่นถือมันในความดีในความคิดดีเราก็เป็นทุกข์เหมือนกันจะเป็นต้องรู้จักปล่อยวางทาความดีคิดดีแล้วรู้จักปล่อยวางใช่ไหมเท่ากับตักน้ําสายออกไปลแล้วก็จะเป็นน้ําที่บริสุทธิ์พร้อมดืม่มพร้อมใจจิตเราก็เช่นเดียวกันคิดดีเรารู้แล้วก็ปล่อยวางคิดไม่ดี ร, รู้แล้วก็ปล่อยวางจิตเราก็จะบริสุทธิ์พ้นออกจากความเศร้าหมอง